เรื่องเปรดกินคูดเพศชายหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระผู้มีพระ ภ, ระภาคประทับณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครื้ครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคลานะครองอันตรวาสุขถือบาดและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะ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 เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาตในกรุงราชครือกลับจากบินทบาตหลังจากชันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่พระทับถวายบังคมแล้วนั่งลงหน้าที่สมควรครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมฆารนะเมื่อท่านลงจากภูเขาเคจกูในกรุงราชครือนี้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 เปรตนั้นสะบัดไปมาจนมาร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าหน้าอัศ จ, จรร์จิงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าพระมหาโมคคลนะกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่า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 ครั้งศาสนาพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพรามนั้นนิมนต์ภิกษุสงฆ์ฉันพัฒหารแล้วเทคูดลงใส่รางจนเต็มสั่งให้บอกเวลาอาหารว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงฉันอาหารและนำไปให้พอแก่ความต้องการจากที่นี้เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกม่มยอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปี แล้วได้รับอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมนั้นโมคคลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่47